ก็สองขอให้ข้าพเจ้าเห็นคุณคือพระธรรมเนี่ยนะเนะี่ยใครเคยตั้งขอให้ข้าพเจ้าอ่านพระไตรปิฎกได้อย่างมีความสุขแต่เขามีโยมคนหนึ่งนะเขาบอกว่าขอให้ข้าพเจ้านั่งฟังธรรมโดยที่ไม่ง่วงขอให้ข้าพเจ้านั่งฟังธรรมด้วยความเข้าใจเนี่ยนะนะเออเขามีการเจริญเมตตาแบบนี้ให้กับตัวเองเลยนะซึ่งก็ก็ดีก็ควรคว ร, ควรเจริญด้วยแต่ถ้าไม่เจริญนะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น ก็มีหลายท่านลุกออกจากห้องเลยนะทั้งห้องนี้ด้วยห้องอื่นด้วย oh. ก็มีนะเพราะว่าไม่เจริญเมตตาให้ตัวเองนะนะท่านก็พยายามเจริญนะอย่างแม้กระทั่งอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะขอให้ข้าพเจ้าอ่านพระธรรมเหล่านี้ด้วยความรู้ความเข้าใจขอให้ข้าพเจ้าอ่านด้วยปีติและปราโมทย์ให้อ่านด้วยความสุขเป็นต้น คือตั้งอัธยาศัยให้ตัวเองเนี่ยมีศรัทธาในคําสอนเหล่านี้ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเหล่านี้เจริญเมตตาเหล่านี้เอาไว้เนี่ยนะก็ก็จ ะ, จะเจริญได้นะท่านจะอ่านพระธรรมสูตรใดก็ตามก็จะจะเลื่อมายหมดเลยเพราะเราตั้งเจริญเมตตาให้กับตัวเองเวลาเราถ้าไม่เจริญเมตตาให้ตัวเองไม่ไปอ่านสูตรที่ตัวเองไม่เข้าใจใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นโทสะเนี่ยนะเพราะเพราะไม่ได้เจริญเมตตาให้กับตัวเอง ขอให้เราจะมีเมสให้เราเนี่ยศึกษาพระธรรมคำสอนเหล่านี้ด้วยความสุขให้ศึกษาคาสอนเหล่านี้ด้วยความสบายใจแต่นะถึงยังไม่เข้าใจก็ขอให้จงเป็นปัจจัยให้เข้าใจในวันต่อๆไปขอให้ผ่านไปก่อนเนถ้าเจริญเมตตาให้กับตัวเองก่อนน ะ, จะเจริญเมตตาอย่างนี้บ่อยๆ บ, บ่อยๆนะถ้าไม่จเจริญเมตตาให้กับตัวเองอย่างนี้ใช่จับเล่นไหนก็ไม่รู้เรื่องตําหนิพระธรรมไปหมดนะ ตำนิตัวเองบ้างตำหนิพระธรรมบ้างก็ไม่เจริญเมตตาให้ตัวเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะก็ต้องสมาทานว่าเมื่อ ข, อ, ขอให้ข้าพเจ้ารับอารมณ์อะไรก็ให้ละลึกถึงพระธรรมได้เสมอใช่หให้ละลึกถึงพระธรรมได้หมดเลยที่จริงพระธรรมที่เราเรียนมาเนี่ยเรารับอารมณ์อะไรบ้างไม่มีพระธรรมอยู่ในนั้นถ้าเรามีสุตตะ ม, มาดีหน่อยนะเห็นสุนัขปั๊บก็จะ ระลึกถึงพระธรรมได้เลยใช่ไหมเห็นนอนเห็นอะไรสักอย่างก็ระลึกถึงพระธรรมได้หมดเลยข้นขอให้เราเนี่ยเห็นธรรมในทุกหนทุกแห่งในทุกอารมณ์เคยตั้งความปรารถนาอย่างนี้ไหมเนี่ย น, นะขอนะโดยเฉพาะพระธรรมคืออริยสัจเป็นต้นขอให้ข้าพเจ้านี่นเห็นนี้ทุกอันะมองผู้การไม่เห็นนี้ทุกเมื่อไหร่ก็สมาทานเอาไว้ว่าเห็นผู้การเมื่อไหร่ก็ให้เห็นว่านี้ทุก นี่เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้เลยนะเห็นคุณชูสีเมื่อไหร่ก่อนี้ทุกนะนี่เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกันสมาทานเอาไว้เลยว่าขอให้ข้าพเจ้านี้ได้เห็นเช่นนั้นและคิดแบบนี้โทรศไม่เกิดที่วันนี้ทุกนี้ทุกโทรศไม่เกิดและคุณฟังนี่โทรศัพท์ไหมบางทีก็มีครับอ๋อบางทีก็มีนะ ขนาดฟังแล้วยังมีโทสะไม่ต้องพูดถึงเวลาอื่นน่นนะท่านคุณต้องหัดเจริญเมตตาให้กับตัวเองมากม <c oughs> ากนะทัานก็ขอให้เห็นพระธรรมคุณเนี่ยนะให้เห็นว่าพระธรรมนี้พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนะที่ไหนมั่งพระพระองค์ไม่ตรัสพระธรรมไว้นะ <c oughs> นะใช่ในายมิลินท์ปัญหากล่าวว่าภิกษุนีพึงสมท า, านองค์หนึ่งเหมือนไม้ไผ่เน <c oughs> ี่ยนะ ธรรมดาไม้ไผ่เนี่ยนะลมพัดมาทิศไหนมันก็ลู่ตามลมเนี่ยนะไม้ไผ่เนี่ยจะไม่ขัดลมเลยใช่ไหมจะลู่ตามลมฉันใดเพียงสูพึงเอาองค์หนึ่งของไม้ไผ่อันนันฉันนั้นเหมือนกันท่นก็ลู่ตามพระพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยนะพระพุทธพจน์ว่าเช่นใดก็ต้องใจเนี่ยลู่ตามหมดไม่ใช่เถียงพุทธพจน์ทุกสูตรอย่างเงี้ย ไ, ไม่ใช่เนี่ยนะก็ลู่ตามพระพุทธพจน์ลู่ตาม พ, พระธรรมที่พระองค์สอนเอาไว้อันนั้เรียกว่าถือองค์หนึ่งของไม้ไผ่ ในบรรดาอุปมาเยอะๆนะผู้การเขาไปชอบปลวกชอบแมวชอบอะไรอย่างอื่นแต่ของมาชอบองค์หนึ่งของไม้ไผ่นั้นว่าลู่ตามคําสอนเนี่ยใช้ได้ให้มันละลึกถึงคําสอนในทุกหนทุกแห่งแล้วก็ให้ข้าพเจ้าเห็นสันทิษทิโกเนี่ยนะสันทิษทิโกก็คือมรรคผลนิพพานเนี่ยนะก็คือตั้งความปรารถนาว่าข้าพเจ้าพึงรู้แจ้งเห็นจริงในอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานนั้นะให้ได้บรรลุ พระธรรมเหล่านี้ให้เห็นแจ้งรู้จริงในพระธรรมเหล่านี้ก็ตั้งสมทานอย่างนี้ไว้บ่อยๆนี่แนหะสามก็คือขอให้ขะเจ้าเห็นความปฏิบัติ ด, ดีของพระสงฆ์เห็นความปฏิบัติตรงของพระสงฆ์สงคว่าสงฆ์นี่คือสาวกของพระพุทธเจ้านะไม่ได้อภัยคิดถึงลูกชาวบ้านเป็นต้นนี่นะถ้าลูกชาวบ้านไหนที่ปฏิบัติ ด, ดีก็ดีแต่ถ้านี่เราก็นึกถึงพระอริยว่าขอให้ขพเจ้าเห็นความปฏิบัติดีของ พระอริยะท่านถามว่าเห็นผ้าคีริวนี่นึกได้ไหมว่างไงนึกว่างไงภาษารีบยบดเนี่ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยทตัวประดุดอะไรหนึ่งหนึ่งนะผ้าคีริวใช่ไหมผ้าเช็ดทุลีเนี่ยก็คือผ้าคีริวผ้าเช็ดทุลีอะไรโคเขาขา ด, ดยไงน ะ, ะนะคนจันทานแผ่นดิน น้ำไฟลมแล้วก็เห็นภาอะไรนะภาชนะมันค้นภาชนะที่ใส่มันค้นไหลเข้าไหลออกเป็นตน้นท่นก็ให้เจริญอย่างเงี้ยมันถ้าเห็นเนี่ยเห็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหมดเลยเห็นอะไรก็ระ ล, ลึกถึงศิกขาสามได้ก็จะเห็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติตามศิกขาเนี่ยนะอยู่ในศิกขาสาม แล้วก็เห็นความปฏิบัติดีความปฏิบัติตรงในพระธรรมเหล่านี้ให้ข้าพเจ้านี่เห็นความปฏิบัติ ด, ดีของพระสงฆ์ทั้งหลายต้องเจริญจะตั้งจิตไว้อย่างนี้นะจึงจะเห็นถ้าไม่ตั้งจิตไว้มันไม่ค่อยยอมเห็นหรอกคุณครูนี่เก่งกว่าอาจารย์เขียนตามไาปค่ะคุณคอาจารย์อยาก <c oughs> เรียนถามว่าโคกเขาฝาไม่เป็นยังไงคะขอโทษที่ต้องขโมยเวลาคุณหนู <c oughs> โคเขาขาดก็คือโคที่ปกติเนี่ยโคเนี่ยนะโคที่มันเขาเขามันจะแหลมอย่างเงี้ยอ่มันจะชอบชนกับคนอื่นมันจะชอบไปควิดมันชอบไปชนมันจะขนองมากเพราะเห็นโคตัวอื่นมันจะปรีเข้าไปเลยมันจะเข้าไปเล่นงานเขานะแต่ถ้าเขามันไม่มีปั๊บมันจะสำรวมมันจะระวังมันเหมือนกับเหมือนอะไรเนี่ใช่จะต้องสำรวมระวัง เพราะนั่นก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะท่านบอกว่าพระโมกขาลานะตั้งความเกรงใจโดยที่สุดแม้สัมมาเนยอายุเจ็ดขวบเนี่ยท่านจะตั้งความเคารพเห็นสัมมานยอายุ7จขวบนี่ท่านเคารพภาษาที่บทเนี่ยเนนอายุ7จขวบสอนท่านได้อา่านนท่านมีครั้งหนึ่งผ้าท่านย้อยลงมุมข้างย้อยลงไปท่านก็บอกว่าธรรมดาผ้าควรสม่ำเสมอปริมนฑนไม่ใช่หรือครับเนี่ยท่านก็หลีกเข้าไปข้างทางไปห่มบอกว่า เท่านี้พอหรือยังท่านอาจารย์หนังนก็ ค, ค, คือคือให้คําแนะ น, นําอ่ะนะก็เลยา ร, รว่าอาจารย์หังเงินที่ให้คําแนะนำจริงก็ลูกศิษย์ท่านนั่นแหละเพิ่งบวชให้ไม่กี่วันเนี่ยนะซึ่งภาษารีบ่บวชนี่ก็เคารพยําเกรงพระมหากรสปานี้พระพุทธเจ้าสอนโอวาทหนึ่งในสามข้อที่บวชเลยให้ไปตั้งความเคารพในพิสุปูลเทระปูลมัชชิมะและนวกกะมันก็คือตั้งความเคารพในพระสงฆ์นั่นเองอันนี้ก็ คุณธรรมเหล่านี้จะมีได้นะเชื่อไหมต้องตั้งต้องต้อ ง, งสมาทานถ้าไม่สมาทานมันทำไม่ได้เพราะโทสะเนี่ยนะเหตุแห่งโทสะเนี่ยตัวหนึ่งอะ่ะมานะเป็นปัจจัยเนี่ยทนะการสมาทานเพื่อจะลดมานะนะสมาทานเพื่อจะลดมานะเนี่ยจะทำให้ให้เกิดเมตตาเนี่ยนะจะลดโทสะด้วยก็เท่ากับเป็นการเจริญอะโทสะเนี่ยนะเจริญเมตตา ก็มีหลายครั้งทีของมาไม่ค่อยเถียงกับใครพ่อสมมาทานมาเดี๋ยวเราขอแพ้เองเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะขอผิดเองอย่างเงี้ยมันก็ให้ชนะหมดเลยในั่นนะใครอยากพูดอะไรก็พูดไปให้ชนะหมดขอแพ้และจริงจริงนะไม่แล้วก็แล้วก็จากความคิดอันนี้มานะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะคิดจะอะไรกับใครด้วยไม่ไม่แ ม, ม้กระทั่งคิดแบบลักษณะอะไรนี้ก็ไม่มีละแม้แต่ความคิดก็ไม่ค่อยมี เพราะว่าเราสมาทานมาอย่างนั้นจริงๆนั้นผู้ที่สมาทานอย่างใดอย่างหนึ่งนะในที่สุดก็สามารถที่จะเจริญตามนั้นได้นั่นเองก็อันนั้นของคุณทีนี้มาดูว่าขอให้สมาทานกุศลธรรมเหล่านี้ใช่ไหมขอให้ข้าพเจ้าดํารงมั่นในสรุป ก็คือเป็นผู้สมาทานโสตาปฏิยังฆ่าธรรมสมข้อแล้วใช่ไหมให้นนให้สมาทานตั้งจิตเอาไว้อย่างนี้<ม>ให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้ามีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระธรรมให้ข้าพเจ้ามีศรัทธามีความมั่นคงมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงค์น่ยนะทีนี้ถ้าเราจะอุปมาอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง ให้ข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามั่นคงดุดภูเขาก็ได้มั่นคงดุดแผ่นดินก็ได้เหมือนเสาหินที่ปักลงดีแล้วก็ได้ก็สมทานให้ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจมั่นคงในพระรัตนตรายเช่นนั้นก็หมั่นสมทานบ่อยๆคืออันนี้เป็นการเจริญเมตตาเพราะอันนี้เป็นเหตุแห่งความสุขใช่ไหมผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เคยได้ยินไหมว่าเขาเหล่านั้นจะ มีทุกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าไม่มีเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นผู้ที่มีสุขเป็นที่ไปในเบื้องหน้าวันเตียงสุดท้ายขอให้ข้าพเจ้าละลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ละลึกถึงพระธรรมได้ละลึกถึงพระสงฆ์ได้มันสมาทานเอาไว้อย่างนี้บ่อยๆทุกกันอางั้นไม่ได้เ <c oughs> ตือนคนอื่นมันก็เตือนตัวเองด้วยไง นะสมทานาไว้เลยขอให้ข้าพเจ้าก่อนจะตายเนี่ยนะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าจิตไม่เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลต้องต้องมีแนวโน้มไว้ก่อนนะนะจิตเนี่ยเชื่อไหมส่วนใหญ่นะชี้นําก่อนถ้าไม่ชี้นําก่อนไม่ตั้งอัตตาสมมาปณิทิก่อนไม่เกิดไอ้ที่อยู่ๆแล้วมันจะเกิดวูบขึ้นมาเองโดยที่ไม่ค่อยตั้งใจอะไรเลยนะน้อยเต็มทีแม้กระทั่งคนที่จะทําบุญให้ทานสักอย่างหนึ่งนะ ไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันคิดได้เองไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่เนี่ยนะมันเป็นผลของความตั้งใจมันเป็นผลของความปรารถนาเป็นผลของอะไรนี่ก็เหมือนกันเราก็ตั้งความปรารถนาให้เราเนี่ยมีศรัทธามีความมั่นคงมีความเลื่อมใสไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวัน่นไหวในพระรัตนตรายให้เห็นคุณของพระรัตนตรายทุกหนทุกแห่งนนะอันนี้สมาทานไว้บ่อยๆนะขอให้ขอใ ห, ให้ให้น้อมจิตคิ ด, คดอย่างนี้ ตอนทําบุญก็ได้ไม่ทําบุญก็ได้ว่าเมื่อไรที่ไม่มีเรื่องอื่นคิดก็คิดอย่างนี้แทนให้ขปเจ้ามีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าให้ขพเจ้ามีความเลื่อมใสในพระธรรมทีนี้พระธรรมมีเอ่อพระพุทธเจ้ามีพุทธคุณอรหังสัมมาสัมพุทโธแล้วก็ว่าไปให้ให้ขพเจ้าเห็นคุณคืออรหันตคุณนะนะมีจิตมั่นคงเลื่อมใสฟังคําว่าพระอรหันตก็ปลืม้มเลยนะตีติโสมนัตเป็นต้นเนะี่ยตักไว้ก่อน พวกแห้งแรงทั้งหลายนะต้องหมันตั้งเขาว่าอะไรก็ฉยเฉยไปหมดเลยทีนี้พูดแล้วเรื่องศีลนะก็สมทานว่าข้าพเจ้าพึงประพฤติกายสุดจริตวจีสุดจริตในนทุกอารมณ์เนี่ยนะนนทุกอย่างนะอ่ะนะเพราะฉน กายสุจริตสาวจีสุจริตสี่เนี่ยนะในทุกอารมณ์ให้สมาทานเอาไว้ให้ดีก็มีนะบางครั้งเนี่ยว่าเราไปเนี่ยบางทีวจีทุจริตมันต้องเกิดเช่นพุทธสว า, าราเนี่ยนะหมายความว่าต้องไปด่าวางนั้นเถอะแต่ถ้าเราตั้งสมาทานเอาไวด้ดีๆเนี่ยเราจะไม่ไม่พูดอย่า ง, ง น, นั้นออกนี่ก็เหมือนกันถ้าเราหมั่นจเจริญเมตตาให้กับตัวเองบ่อยบ่อยข้าพเจ้าเนี่ยดํารงมั่นอยู่ในกายสุจริต นะดำรงมั่นอยู่ในวจีสุจริตขอให้เจริญสุจริตสามให้บริบูรณ์เนี่ยนะคิดไหมว่าสุจริตสามจะบริบูรณ์ถ้ามั่นสมาทานมันมันตั้งจิตมั่นเจริญเมตตาอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะพันขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะนึกถึงอะไรรับอารมณ์อะไรก็ระลึกถึงสุจริญสจริงๆเห็นอะไรเนี่ยเจริญพุทธคุณได้ก็มโนสุจริตก่อนนะใช่ไหมเป็นต้นให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองเจริญเมตตาให้ตัวเอง ให้เป็นผู้ดํารงมั่นอยู่ในศีลทีนี้ท่าไล่อะนะขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีสัตว์เป็นอารมณ์แม้แต่เจตนาที่จะฆ่าก็ยะได้มีนะเห็นทรัพย์ของผู้อื่นแม้แต่คิดจะเอาก็ไม่มีอนนขอข้าพเจ้าเนี่ยพระเวสสันดรท่านตั้งความบาสถานะยังไงบอกไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งหญิงทั้งหลายก็คือหมายความว่าพิยาผู้อื่นเป็นต้นก็ไม่คิดอะนะ แล้วก็เป็นชูทางความคิดอีกอย่างเ ข, า, ขาว่าเขร้องเพลงให้ฟังแถวๆรีสอร์ทประมาณนั้นชูทางใจประมาณนั้นพระอะไรได้ยินอนไรกันี <c oughs> ้อยูในโลกแห่งความฝันอือพ <c oughs> รนนะก็สมาทานนะสมาทานเจริญเมตตาไว้อย่างนี้บ่อยๆเนี่ย น, นะตั้งความปรารถนาให้ข้าพาเจ้าดํารงอยู่ในกุศลศีลเหล่านี้เนี่ยนะให้ข้าพาเจ้าเนี่ยอย่าได้พูดคําเทศเลยเนี่ยนะ ถึงได้เหตุปัจจัยยังไงข้าพเจ้าอย่าได้พูดเท็จเลยนะนีก็สมท า, านข้าพเจ้าอย่าได้พูดให้คนอื่นแตกแยกแตกร้าวร้า ว, ร า, วรานกันเลยข้าพเจ้าพึงพูดคําพูดที่ไม่เป็นคําหยาบนะข้าพเจ้าพูดให้มีเนื้อหาสาระพูดในสิ่งที่มีประโยชน์เป็นต้นก็สมท า, านไว้อย่างนี้เจริญเมตตาไว้อย่างนี้บ่อยๆเพราะศีลทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความสุขใช่ไหมทุกศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันเราก็ปรารถนาให้เรามีความสุขให้ดํารงมั่นอยู่ใน กุศลศีลเ น, นี่ยนะก็สมาทานเอาไว้ให้ดีๆแต่ทีนี้ฮีริข้าพเจ้าพึงละอายบาปอ่ะนะพึงละอายบาปดดหยิงชาวเมืองหยิงชาวเมืองเนี่ยนะถ่ายอุจาระปัสสาวะกล้าทำในที่ทุกหนทุกแห่งไห ม, ห ม, ม, มละอายฉันใดเนี่ยนะข้าพเจ้าพึงละอายต่อ ทุจริตทั้งหลายฉันนั้นก็สมทนาให้พระเจ้าละอายบาปนะละอายใจเหลือเกินที่จะต้องทําบาปละอายต่อ ก, กายละอายที่จะต้องประพฤติกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะละอายดุดดุดอย่างที่กล่าวไปว่าหญิงชาวเมืองเป็นต้นเนี่ยเขาเวลาจะอุจาระปัสสาวะก็ก็เรียกว่าละอายใจนะแต่ถ้าบางแห่งก็ตรวจแล้วตรวจอีกก็นั่นแหละฉันใดก็ให้มีโอตระปเอ่อมีหิริฉันนั้น ทีนี้ข้าพเจ้าเพ่งกลัวต่อบาปทั้งหลายกลัวกายยะทุจเรตวจีทุจริตมโนโทุจริตดุดบุคคลเห็นหลุมฐานเพลิงฉะนั้นนะเหมือนหลุมฐานเพลิงมองเห็นว่าทุจเรตเมื่อไหร่ก็บอกนั่นประตูนรกนะนั่นเหตุแห่งความทุกข์นะกรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้บางอย่างให้ผลในชาติหน้าบางอย่างให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นสมถานให้ข้าพเจ้าละอายเกรงกลัวต่อบาปฉันนั้น วันก่อนโยมก็บอกว่าบางคนนะครับบอกว่าทําไมตอนนี้มันกลัวบาปไปสักหมดเลยครับว่างั้นก็บอกขอให้ดีใจเธอว่านั่นคุณมีซัพย์แล้วเพราะความเกรงกลัวต่อบาปนับเป็นอริยทรัพย์หนึ่งในในทรัพย์ใช่ไหมขอมาทร า, าที่สังเกตดูยังไม่เคยได้ยินใครพูดเลยว่าความรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยคือสิ่งที่ตัวเองต้องเจริญเวลาเกรงกลัวต่อบาปนะน้อยจริงๆที่จะได้อีกคนได้ยิน พูดถึงว่าอันนี้ก็คือทรัพย์อย่างหนึ่งของเขาแต่ถ้าเขาบอกว่าฮีริโอตปะเป็นทรัพย์เนี่ยเขาจะยอมรับไม่ยากแต่ว่าในในชีวิตที่เป็นจริงในแง่ของการปฏิบัติเนี่ ย, เ, ยเวลาละอายใจต่อบาปหรือเวลาเกรงกลัวต่อบาปน้อยนักที่จะคิดไอ้ความคิดตัวนั้นอนะคือทรัพย์ของเขาเพราะฉะนั้นให้ให้ถ้าละอายบาปละอายใจตัวเองที่จะเป็นบาปก็ให้รู้ว่านี่ก็ทรัพย์อย่างหนึ่งของเรา เกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อผลของบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปอย่างนั้นก็ให้รู้ว่านี้ก็คือทรัพย์ของเราเหมือนกันให้ให้มันระลึกไว้แบบนี้เสมอๆให้ข้าพเจ้าพึงสมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตะเพราะหีริโอตตะดีศีลก็ดีข้าพเจ้าพึงมีสุตตะข้าพเจ้าพึงสั่งสมสุตะทรงจําสุตะนนะ ข้าพเจ้าพึงจำอริยสัจได้จันไดยังจันเกตเอ้ยวันนี้จะว่าจะว่าอริยสัจไม่ใช่หรืลืมเลยข้าพเจ้าพึงตั้งมั่นอยู่ในพระสูตรทั้งหลายเนี่ยนะข้าพเจ้าพึงทรงจำพระสูตรเป็นต้นได้ก็ว่าไปสูตรไหนที่เรามีศรัทธาข้าพเจ้าพึงทรงจำพระธรรมเหล่านั้นะนะก็ตั้งสมาทานนี่นะให้เจริญด้วยสุตตะ เอาเท่าพราหุนก็ได้ตือนเช้ามากอบทรายเลยกอบหนึ่งหรือกอบทรายบาทบาทหนึ่งครัพระเจ้าพึงได้รับโอวาทเท่านี้นะอุปจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอุปชาก็อุปชาท่านก็ภาษาลิบบทอาจารย์ท่านก็คือพระโมคคลลานะเนี่ยนั้นท่านเอ่อท่านก็คารมพระพุทธเจ้าท่านต้องการโอวาทวันรัวัระ บ, บ, บาทวัระ บ, บาทนี้เท่ากับจํานวนเม็ดทรายในบาทเนี่ยนีก็สมาทานให้บริบูรณ์ด้วยสุตตะอย่างนั้นนั้น ใครสมาทานข้าพเจ้าเพิ่งอ่านพระไตรปิฎกได้วันละร้อยหน้าให้อ่านอย่างมีความสุขให้อ่านอย่างสบายใจใอ่านแล้วปีติโสมานาเป็นต้นนะคือสิ่งเหล่านี้บางทีบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามีการสมาทานมีการน้อมจิตเข้าเนี่ยนะมันก็เป็นความสบายใจอย่างหนึ่งแทนที่เราจะไปคิดเรื่องที่ไม่สมควรคิดใช่ไหม การที่จะคิดให้เป็นบาปเป็นอกุศลก็คิดให้เป็นเมตตากับตัวเองเข้าพนะเจ้าพึงนะสละวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกกับกิเลสภายในข้าพเจ้าอย่าได้อนุรักษ์นิยมโทสะเลยเนี่ยนขะข้าพเจ้าอย่าได้อนุรักษ์นิยมมัชชริยะเลยข้าพเจ้าอย่าได้อนุรักษ์นิยมต่อความตณีเลยเนี่ยนะ ข้าพเจ้าจะได้ติดข้องในวัตถุกรรมเลยให้เสียสละบ้างเถอะเนี่ยนะก็ต้องสมาทานดเลยนะวัตถุเหล่านั้นเหล่านั้นข้าพเจ้าจะได้ติดได้ข้องเลยเดี๋ยวข้าพเจ้าตายแล้วจะไปเฝ้าวัตถุนั้นเนี่ยนะก็สมาทานเอาไว้ให้ข้าพเจ้านี่มีจาคะยินดีในการสละท่านบอกว่าเหมือนกับผู้ที่มีมืออันล้างไว้แล้ว พูดอีกนายหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าเมื่อสละไปแล้วพึงได้โสมนัสในสมการก่อนจะทำข้าพเจ้าก็โสมนัสกาลังทำข้าพเจ้าก็โสมนัสทำเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็พึงโสมนัสไม่พึงเสียใจในภายหลังไม่พึงเดือดร้อนใจในภายหลังนะข้าพเจ้าเวลาเจริญกุศลก็ให้ประกอบไปด้วยปัญญามีญานสัมประยุทธ์ก็ว่าไปตั้งเมตตาให้กับตัวเองนี่พอสุดท้ายบอกขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญารู้เหตุเกิด อันนะั้ความดับแห่งขันห้าโดยอาการห้าสิบนี่นะก็เมื่อเห็นรับอารมณ์อะไรเมื่อมีรูปเป็นอารมณ์ให้รู้เหตุเกิดโดยอาการ5ความดับโดยอาการ5เมื่อมนสิการเมเวทนาขันก็ให้รู้เหตุเกิดโดยอาการ5ความดับโดยอาการ5เป็นต้นเนี่ยนะและข้าพเจ้าพึงปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนับในอุปาทานขันห้า ก็มันสมาทานเอาไว้อย่างนี้บ่อยๆในก็หังสุกิตโตโหมิให้ข้าพเจ้ามีความสุขเช่นนี้แหละที่จริงความสุขเหล่านี้เราก็ต้องการนะแต่แต่เราทําไมไม่ค่อยกล้าที่จะตั้งที่จะมีเมตตากับตัวเองอย่างนั้นนาะแต่ก็มีบางคนเขาตั้งอีกวิธีหนึ่งก็บอกว่าขอให้ข้าพเจ้า อย่าได้คบคนพาลขอข้าพเจ้าจงได้คบแต่บัณฑิตข้าพเจ้าได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาข้าพเจ้าอย่าได้เป็นมิจฉาทิฐิเป็นต้นพวกนั้นก็เป็นเมตตานะียที่ที่ตั้งเอาไว้ต้องมันตั้งมันคือเมตตาที่เจริญในเบื้องต้นเป็นอัตตะสัมมาปณิทิชันดีเป็นอัตตะสัมมาปณิทิที่เรียกว่าถ้าเจริญเต็มที่ได้ชาญเนี่ยนะถ้าตั้งอัตตะสัมมาปณิทิเนี่ยคือไม่ได้ตั้งมุ่งชาติหน้า แต่ตั้งมุ่งให้ปฏิบัติเพื่อเจริญงอกงามเนี่ยนะก็มันเจริญทีนี้อีกในหนึ่งเนี่ยถ้าผู้ที่เจริญปัญญาอยู่แล้วปัญญารู้อะไรก็รู้อริยสัจใช่ไหมรู้อริยสัจข้าพเจ้าถึงทาปริญญาในกองทุกเนี่ยนะขนะันข้าพเจ้าเพิ่งทำปริญญาในกองทุกได้หมดเลยข้าพเจ้าเพิ่งละสมุ ท, ทัยเนี่ยนะนะ เพึงละสมุทัยด้วยประหารทั้งห้าตรทางข้าประหารพิคัมพระหประหารสมุทเฉทประหารปฏิปัสสาทิปประหารและนิสรณะประหารข้าพเจ้าพึงละสมุทัยเหล่านี้ได้ข้าพเจ้าพึงทํานิโรธให้แจ้งทําให้แจ้งนะโดยเป็นอารามณปัจจัยของอาริยมรรคและอริยผลข้าพเจ้าพึงเจริญ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดสมาทานนะ<ส>ข้าพเจ้าพึงมีสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจข้าพเจ้าเพึงบริบูรณ์ด้วยสัมมาสังกัปปะข้าพเจ้าพึงเจริญสัมมาวาจาข้าพเจ้าพึงเจริญสัมมากามมันตะข้าพเจ้ า, านะมีอาชีวะที่บริสุทธิ์ผดผ่องข้าพเจ้าพึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเพียขรข้าพเจ้าจะได้เป็นผู้เบลอหลงหลงลืมลืมเนี่ยนะให้มีสติตั้งมั่น ข้าพเจ้าพึงมีจิตตั้งมั่นไม่ใช่นั่งปั๊บคิดสามสี่เรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะก็สมาทานให้ให้ประพฤติในองค์มรรคได้อย่างไรหรือสมาทานอีกในหนึ่งก็ข้าพเจ้าพึงเจริญกายอนุปัสนาเจตในกายคข้าพเจ้าพึงเจริญอนุปัสนาเจตในเวทนาข้าพเจ้าพึงเจริญอนุปัสนาเจตในจิตข้าพเจ้าพึงเจริญอนุปัสนาเจตในธรรมก็คืออะไร สติปฐานสี่นั่นเองข้าพเจ้าบริบูรณ์ด้วยสติปฐานสี่ข้าพเจ้านะพึงสังวรจากบาปข้าพเจ้าพึงละบาปข้าพเจ้าพึงเจริญบุญข้าพเจ้าพึงรักษาบุญที่เจริญไว้แล้วก็คือสมาธิเจริญเมตตาให้ตัวเองเจริญสัมมาปทานนะข้าพเจ้าพึงมีฉันทะมีความเต็มใจมีความสุขกับการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะก็คือจะฉันทิฏฐิบาตใช่ไหมข้าพเจ้าจะได้เกียรติคราสมีความภาคเพียร อันนี้ก็เป็นวิริยะในวิริยะที่บ า, าพระเจ้าพึงมีจิตใจเนี่ยฝักฝ่ายอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญ ง, งอกงามในคำสอนใจข้าพเจ้าจะได้ทิ้งพระธรรมคำสอนใจเป็นไปกับคำสอนตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นจิตติที่บาขอขาพระเจ้าเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวนนรนะทำทั้งหลายก็ปรารถนาเจริญอิทธิบาศภนนะะเจ้าพึงเจริญด้วยศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญาข้าพเจ้าพึงเจริญด้วยสัพทินรีวิริยินรียศรัทธาพระวิริยะพระเป็นตน้นข้าพเจ้าพึงอบรมพโพชฌงนะโพชฌงสติสัมโพชฌงเป็นตน้นนะข้าพเจ้าพึงเจริญสติสัมโพชฌงอาศัยวิเวกอาศัยวิราคา้อาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะนะเจริญอย่างนี้บ่อยๆคุณวิลาวันตั้งแต่แนะนําไปเจริญบา้างหรือยังพอได้นานแล้วข้า พ, พเจ้าฮะได้อะไร ได้แต่ชื่อสิโอ้ยได้ได้ได้แต่ได้แต่แตยี่ห้อก็ที่ที่ทแนะนําบอกว่าไปเจริญเมตตาให้ตัวเองเนี่ยนะว่าข้าพเจ้าพึงเจริญในโพธิปักขยธรรมทั้งหมดเนี่ยนะสาสิบเจ็ด น, นะคือคือไม่ใช่ข้าพเจ้าจําแค่โพธิปัจจะจําได้จําได้แต่ชื่อไม่ใช่หมายความว่าข้าพเจ้าพึงเจริญเนี่ยนะเจริญกุสติปัฏฐานได้อย่างบริบูรณ์ เจริญสัมมาประธานในอย่างบริบูรณ์เจริญอิธิบาทเจริญอินทรีย์เจริญพะละเจริญโพชงเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้ยวยองค์8คุณมุนมีก็ตั้งความปรารถนาว่าขอข้าพเจ้าอย่าได้ฟุง้งซ่านนะขอข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเถอะเนี่ยนะข้าพเจ้าอย่าจะทําไมข้าพเจ้าต้องคิดมากด้วยนะให้ข้าพเจ้าคิดอะไรก็ให้จิตสงบนิ่งคิดเป็นคําสอนคิดเป็นอัดเป็นธรรมจะได้คิดอกุศล นั่นแหละก็ให้ดับไปบางนิดนีก็ติดขึ้นสมาธิขาดทุดับจากกุศลมันก็ให้ข้าพเจ้ามีความสุขใช่ไหมแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่เจริญแบบนี้ใครจะมีเวร